พระไตรปิดกเล่มที่ส2องพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สมัชิมะนิกายมูลปัญ น, นาตขอน้อมน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมูลบา ร, รียายวักมูลป ร, รียายสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรมะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคนไม้รังใหญ่ในสุภควัน เตเมืองอกกัถาณที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงสภธรรมมูลปริยายมูลเหตุแห่งธรรมะทั้งปวงคือเทสนาว่าด้วยเหตุให้เกิดสภาวะทั้งปวงกำหนดภูมิตามในที่หนึ่งว่าด้วยปุถุชนภิกษุทั้งหลายปุถุชนคือคนที่ยังมีกิเลสหนา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 กำหนดหมายซึ่งปัตตวีกำหนดหมายในปัตตวีกำหนดหมายนอกปัตตวีกำหนดหมายปัตตวีว่าเป็นของเรายินดีปัตตวีพระอริยะทั้งหลายในที่นี้คือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกสัตบุรุษหรือที่บางท่านเรียกว่าสัตตบุรุษแต่ครูบาอาจารย์แนะนําว่าให้อ่านว่าสัตบุรุษ เพราะสัตตบุรุษอาจแปลได้ว่าบุรุษทั้งเจนะครับสัตบุรุษโดยทั่วไปหมายถึงคนกรตัญยุกระตะเวทีเป็นนักปราดเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้มีความพักดีมั่นคงกระทำการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจแต่ในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าและพระพุทธสาวก หมายรู้ปทัทวีคือดินโดยความเป็นปทัทวีปทัทวีมีสี่ชนิดคือหนึ่งลักษณะปัททวีเป็นสิ่งที่แข็งกระด้างหยาบเฉพาะตนในตัวมันเอง 2. สองสัสัมภาระประทัททวีเป็นส่วนแห่งอวัยวะมีผมเป็นต้นและวัตถุภายนอกมีโลหะเป็นต้น พร้อมทั้งคุณสมบัติมีสีเป็นต้น 3. มอารมณปัตวีเป็นปัตวีธาตุที่นำมากำหนดเป็นอารมณ์ของปัตวีกสินเรียกอีกอย่างว่ามิมิตตปัตวีสสมมติปัตวีเป็นปัตวีธาตุที่ปัตวี เทวดามาเกิดในเทวโลกด้วยอำนาจปัทวีกสินละฌานในที่นี้ปัทวีหมายถึงทั้งสี่ชนิดครั้นหมายรู้ปัทวีโดยความเป็นปัทวีแล้วในที่นี้หมายถึงหมายรู้แผ่นดินนั้นด้วยสัญญาที่วิปริตคือกําหนดให้ต่างออกไปจากความเป็นจริงโดยประการต่างๆด้วยกิเลสเป็นเหตุเนื่นช้า คือตันหามานะและทิฏฐิที่มีกำลังกำหนดหมายซึ่งปฏิวีหมายถึงกำหนดหมายด้วยตันหามานะและทิฏฐิว่าเราเป็นดินดินเป็นเราคนอื่นเป็นดินดินเป็นของคนอื่นหรืออีกในหนึ่งหมายถึงกาหนดหมายด้วยอำนาจตันหาให้เกิดฉันทราคติดใจในผมเป็นต้นจนถึงตั้งความปรารถนาว่า ด้วยศีลหรือพรหมจรรย์นี้ขอให้เรามีผมนุ่มดำสนิท ด, ดีกำหนดหมายด้วยอำนาจมานะว่าเราดีกว่าเราเสมอกว่าหรือเราด้อยกว่าและกำหนดหมายด้วยอำนาจทิฏฐิคือยึดมั่นว่าผมเป็นชีวะโดยในว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นกำหนดหมายในปัทวี หมายถึงกำหนดหมายหรืออำนาจทฐิว่ามีเราอยู่ในดินหรือเรามีปริโภ o t ในดินมีผู้อื่นอยู่ในดินหรือผู้อื่นมีปริโภ o t ในดินตามในที่ว่าพิจารณาเห็นอัตตาในรูปเป็นตน้นสำหรับคำว่าปราิโภ o t หมายถึงเครื่องผูกพันหรือนวงเหนี่ยวเป็นเหตุให้ใจภวักพวนห่วงกังวลเหตุกังวลข้อติดข้อง กำหนดหมายนอกปัตวีหมายถึงกำหนดหมายด้วยอำนาจทิฏฐิว่าต้นหรือคนอื่นพร้อมทั้งสรรพสิง่งล้วนแต่เกิดจากดินแต่มีใช่ดินตามลัทธิพร ม, มันถุวาดคือลัทธิที่เชื่อว่าโลกเกิดจากพรมลัทธิอนุกาวาดลัทธิที่เชื่อว่าโลกประกอบด้วยอนูหรือลัทธิอิสรวาดลัทธิที่เชื่อว่าพระอิศวนเป็นผู้สร้างโลก แล้วเกิดตัญหามาณในตนและบุคคลอื่นตลอดถึงสรรพสิ่งนั้นยินดีปัตวีหมายถึงเพลิดเพลินยินดีติดใจปัตวีด้วยอำนาจตัญหาและทิฏฐิความยินดีปัตวีนั่นเองชื่อว่ายินดีทุกสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า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 ไม่ได้พบสัตว์บุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของสัตว์บุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตว์บุรุษหมายรู้ปัทวีคือดินโดยความเป็นปัทวีรันหมายรู้ปัทวีโดยความเป็นปัทวีแล้วกำหนดหมายซึ่งปัทวีกำหนดหมายในปัทวีกำหนดหมายนอกปัทวีกำหนดหมายปัทวีว่าเป็นของเรายินดีปัทวี ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้สำหรับคำว่าไม่ได้กำหนดรู้หมายถึงไม่ได้กำหนดรู้ด้วยปา ร, ริญญาสามประการคือยาตะปา ร, ริญญาได้แก่รู้ว่านี้เป็นปัถวีธาตุภายในนี้เป็นปัตวีธาตุภายนอกนี้เป็นลักษณะกิจเหตุเกิดและที่เกิดแห่งปัทวีธาตุ หรือได้แก่กำหนดนามและรูป 2. ติรณะปาริญญาได้แก่พิจารณาเห็นว่าปฐวีธาตุมีอาการ40คืออาการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นต้นหรือได้แก่พิจารณากาลปรปะความเป็นกลุ่มก้อนเป็นต้นพิจารณาอนุโลมยานเป็นที่สุด 3. ปหาณะบริญญาได้แก่เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วจึงละฉันทราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในปัทวีธาตุด้วยอรหัตผลหรือได้แก่ญาณในอริยมรรคเพราะบริญญาสาประการนี้ไม่มีแก่ปูถุชนเขาจึงกำหนดหมายและยินดีปัทวีธาตอาโปธาตเตโชธาตและวายโยธาต จากนั้นตรัสถึงสิ่งอื่นซึ่งมีนนยะเดียวกันได้แก่หมายรู้อาโปคือน้ำหมายรู้เตโชคือไฟหมายรู้วายโยคือลมหมายรู้พูดในที่นี้หมายถึงสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ต่ำกว่าชั้นจาตุมหาราชหมายรู้เทวดาหมายรู้ประชาบดีหมายถึงผู้ยิ่งใหญ่กว่าประชาคือหมูสัตว์ ได้แกมมานชื่อว่าประชาบดีราะปกครองเทวโลกชั้นปรานิมมิตรสวัตตีหมายรู้พรมหมายรู้อภัส ร, รพรมหมายรู้สุภกินหพรมหมายรู้เวหพละพรมหมายรู้อภิภูษัทคำว่าอภิภูษัทกับอสัญญีสัตเป็นวัยพ์ของกนและกันหมายถึงสัตว์ผู้ไม่มีสัญญา สถิตยอยู่ในชั้นเดียวกับเวหภละพรมบังเกิดด้วยอิริยาบถใดก็สถิตยอยู่ด้วยอิริยาบถนั้นตราบสิ้นอายุไขหมายรู้อากาสารนัญจายตนะพรมหมายรู้วิญญาณัญจายตนะพรมหมายรู้อากิจัญญายตนะพรมหมายรู้เนวสัญญานาสัญญายตนะพรมหมายรู้รูปที่ตนเห็น หมายถึงสิ่งที่ตนเห็นทางมังสจักขุตาเนื้อหรือทิพภจักขุตาทิพต์คำ น, นี้เป็นชื่อแห่งรูปายตนะหมายรู้เสียงที่ตนได้ยินหมายถึงสิ่งที่ตนฟังทางมังสะโสตหูเนื้อหรือทิพพโสตหูทิพต์คำนี้เป็นชื่อแห่งสัตทายตนะหมายรู้อารมณ์ที่ตนทราบหมายถึงอารมณ์ที่ตนทราบแล้ว และรู้แล้วจึงรับเอาคือเข้าไปกระทบรับเอามีคําอธิบายว่าที่ตนรู้แจ้งแล้วเพราะการกระทบกันและกันระหว่างอินทรีย์กับอารมณ์ทั้งหลายคำนี้เป็นชื่อแห่งทันทายตนะรสาายตนะและผุดทพายตนะหมายรู้อารมณ์ที่ตนรู้แจ้งอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งหมายถึงอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งทางใจ คำนี้เป็นชื่อแห่งอายตนะที่เหลืออีกอย่างหนึ่งเป็นชื่อแห่งธรรมารมณ์แต่ในที่นี้ได้เฉพาะอารมณ์ที่นับเนื่องในกายของตนหมายรู้ความที่จิตที่เป็นฌานสมาบัติเป็นอันเดียวกันหมายรู้ความเป็นกามจิตต่างกันโดยความเป็นของต่างกันหมายรู้สักกายะทั้งปวงหมายถึงอุปทานขันห้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมายรู้นิพพานในที่นี้หมายถึงนิพพานที่ปุตุชนเข้าใจผิดด้วยอำนาจตันหามานะและทิฏฐิคือเข้าใจว่าอัตตาที่พรั่งพร้อมเพียรพร้อมบำเรอด้วยกามคุณหเป็นนิพพานในปัจจุบันนิพพานเป็นอัตตาอัตตาเป็นอย่างอื่นจากนิพพานความสุขเป็นนิพพาน หรือนิพพานเป็นของเราหมายรู้สิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นสิ่งเหล่านั้นครั้นหมายรู้สิ่งนั้นโดยความเป็นสิ่งนั้นแล้วกําหนดหมายซึ่งสิ่งนั้นกําหนดหมายในสิ่งนั้นกําหนดหมายนอกสิ่งนั้นกําหนดหมายสิ่งนั้นว่าเป็นของเรายินดีสิ่งนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่ได้กําหนดรู้ สรุปปุทุชนผู้ไม่ได้สดับพระธรรมของพระอริยเจ้าย่อมรู้ตามความจำถึงสิ่งต่างๆแล้วยึดถือว่าเป็นของเราเพราะไม่ได้กำหนดรู้ตามเป็นจริงซึ่งสิ่งนั้นๆนี้เป็นกำหนดภูมิปุทุชนในที่หนึ่งกำหนดภูมิตามในที่สองว่าด้วยเสขะบุคคล เสกขาบุคคลหมายถึงบุคคลผู้ที่ยังต้องศึกษาสามจำพวกได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีผู้ยังต้องฝึกอบรมในตรัยสิกขาคือ 1. นอาทิศีลแสิกขาฝึกอบรมในเรื่องศีลสอง 2. อาทิจิตตสิกขาฝึกอบรมในเรื่องจิต 3. อธิปัญญาสิกขาฝึกอบรมในเรื่องปัญญา ภิกษุทั้งหลายภิกษุใดยังเป็นเสขารุคคลไม่ได้บรรลุอรหัตผลปรารถนาธรรมะเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่แม้ภิกษุนั้นก็รู้ยิ่งปัตตวีโดยความเป็นปัตตวีครั้นรู้ยิ่งปัตวีโดยความเป็นปัตตวีแล้วอย่ากำหนดหมายซึ่งปัตตวีอย่ากำหนดหมายในปัตตวีอย่ากำหนดหมายนอกปัตตวี อย่ากำหนดหมายปัตวีว่าเป็นของเราอย่ายินดีปัตทวีข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขาควรกำหนดรู้รู้ยิ่งปัตทวีโดยความเป็นปัตวีหมายถึงรู้ด้วยสัญญาที่แตกต่างจากปุตุชนหรือรู้ด้วยญาณอันพิเศษยิ่งกล่าวคืออย่าตะปริญญาตีรณาปริญญา และปหานะปริญญามีคำอธิบายว่าเมื่อปล่อยวางความเป็นปัตตวีอย่างนี้ย่อมรู้ยิ่งปัตทวีนั้นว่าไม่เที่ยงบ้างว่าเป็นทุกข์บ้างว่าเป็นอนัตตาบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสในเดียวกันถึงสิ่งอื่นดังนี้รู้ยิ่งอาปโปเตโชวายโยพูดเทวดาปชาพดีพรม อ, รรอภัสรพรมสุภกินหพรมเวหภพละพรมอภิภูสัทอากาสานัญจายตนะพรมวิญญาณัญจายตนะพรมอากิจัญญายตนะพรมเนวสัญญาณสัญญายตนะพรมรูปที่ตนเห็นเสียงที่ตนได้ยินอารมณ์ที่ตนทราบอารมณ์ที่ตนรู้แจ้งความที่จิตเป็นฌานสมาบัติเป็นอันเดียวกัน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 อย่ากำหนดหมายในสิ่งนั้นอย่ากำหนดหมายนอกสิ่งนั้นอย่ากำหนดหมายสิ่งนั้นว่าเป็นของเราอย่ายินดีสิ่งนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาควรกำหนดรู้สรุปภิกษุผู้เป็นเสขะรู้ยิ่งด้วยปัญญาซึ่งสิ่งต่างๆ่ า, าการยึดถือว่าเป็นของเรา คือการยึดถือเหมือนกันแต่น้อยกว่าปุถุชนแต่ไม่ถึงกับละได้เหมือนพระอรหันต์เผาการยึดถือว่าเป็นของเราเพราะสิ่งนั้นๆพระเสขะควรกําหนดรู้ได้นี้เป็นกําหนดภูมิพระเสขะในที่สองกาหนดภูมิตามในที่สามว่าด้วยพระขีนาศ ภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นอรหรันตขีนาศบอยู่จบพรหมจรรย์คือบรรลุอรหันตแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชนแล้วหลุดพ้นพระรู้โดยชอบแม้ภิกษุนั้นก็รู้ยิ่งปัตวีโดยความเป็นปัตวีครั้นรู้ยิ่งปัตวีโดยความเป็นปัตวีแล้ว ไม่กำหนดหมายซึ่งปัททวีไม่กาหนดหมายในปัททวีไม่กำหนดหมายนอกปัททวีไม่กำหนดหมายปัททวีว่าเป็นของเราไม่ยินดีปัททวีข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะเขากำหนดรู้แล้วสิ้นพ ะ, ะสังโยชน์แล้วหมายถึงสังโยชน์สิบประการคือหนึ่งกามราคะความกำหนัดในกาม อยากได้ติดใจในการมคุณห้าคือความกำหนัดติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสผพิภัคือสิ่งที่มาถูกต้องสัมผัสกาย 2. ปฏิฆะความหงุดหงิดขัดเคืองคับแค้นใจ 3. มานะการถือตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่เราดีกว่าเขาเราชั่วกว่าเขาเราเสมอเขา 4. ทิฏฐิ ความเห็นผิดห้าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความเคลือบแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายหกิลพตปปามาฏการยึดถือข้อปฏิบัติที่ผิดเจด็ดภวะราคะความกำหนัดยินดีในภพแปดอิดสาคืออิจฉาริษยาชิงชังเก้ามัชริยะ ความตรณี10อวิชชาความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสีสังโยชนเหล่านี้เรียกว่าภาวะสังโยชนเพราะผูกพันหมูสัตว์ไว้ในภพน้อยภพใหญ่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสิ่งต่างๆตามนัยยะเดียวกันดังนี้รู้ยิ่งอาโปเตโชวาโย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 ความที่กามาจิตต่างกันศักยะทั้งปวงรู้ยิ่งนิพพานรู้สิ่งต่างๆโดยความเป็นสิ่งนั้นครั้นรู้ยิ่งสิ่งนั้นโดยความเป็นสิ่งนั้นแล้วไม่กําหนดหมายซึ่งสิ่งนั้นไม่กําหนดหมายในสิ่งนั้นไม่กําหนดหมายนอกสิ่งนั้นไม่กําหนดหมายสิ่งนั้นว่าเป็นของเราไม่ยินดีในสิ่งนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขากำหนดรู้แล้วเพราะเขาปราศจากราคะเนื่องจากราคะสิ้นไปเพราะเขาปราศจากโทสะเนื่องจากโทสะสิ้นไปเพราะเขาปราศจากโมหะเนื่องจากโมหะสิ้นไปสรุปภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ขีนาศพรู้ยิ่งด้วยปัญญาซึ่งสิ่งต่างๆยอมไม่ถือว่าเป็นของเราหนึ่งเพราะกาหนดสิ่งนั้นๆแล้ว 2. เพราะสิ้นราคะความกำหนัดยินดี 3. เพราะสิ้นโทสะความคิดประทุษร้าย 4. เพราะสิ้นโมหะความหลงนี้เป็นกำหนดภูมิพระขีณาสพในที่สามสห้าและหกำหนดภูมิตามในที่เจ่าด้วยพระตถาคตตถาคตในที่นี้หมายถึงพระผู้มีพระภาค บัณฑิตรเรียกว่าตถาคตเพราะเหตุแปดระ ก, การคือหนึ่งเพราะเสด็จมาแล้วอย่างนั้นสองเพราะเสด็จไปแล้วอย่างนั้นสเพราะเสด็จมาสู่ลักษณะอันแท้จริงสีเพราะตรัสรู้ธรรมที่แท้ตามความเป็นจริงหเพราะทรงเห็นจริง6เพราะตรัสวาจาจริงห้าเพราะทรงาะตรัสธรรมทีามมจริง เพราะทรงครอบงำหมายถึงผู้ที่ยึดถือลทัทธิอื่นทั้งหมดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกส่วนคำว่าตถาคตอีกความหมายหนึ่งคือชื่อที่ลทัทธิอื่นใช้เรียกตามความเข้าใจของเขาหมายถึงวิญญาณอมตะอตาตมันกำหนดภูมิตามในที่เจ็ดว่าด้วยพระตถาคต ภิกษุทั้งหลายแม้ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ยิ่งปัตตวีโดยความเป็นปัตตวีครันรู้ยิ่งปัตตวีโดยความเป็นปัตตวีแล้วไม่กําหนดหมายซึ่งปัตตวีไม่กําหนดหมายในปัตตวีไม่กําหนดหมายนอกปัตตวีไม่กําหนดหมายปัตตวีว่าเป็นของเราไม่ยินดีปัตตวีข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะตะถาคต กำหนดรู้ปัทวีนั้นแล้วทรงตรัสถึงสิ่งอื่นอีกตามในเดียวกันคือโรยิ่งอาโปเตโช ว, วายโยพูดเทวดาประชาบดีพรมอภัสรพรมสุปกินหพรมเวหาภละพรมอภิภูษัทอากาสานาัญจายตนะพรมวิญญาณัญจายตนะพรมอากินจัญญายตนะพรมเนวสัญญาณสัญญาญตนะพรม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 ไม่กำหนดหมายสิ่งนั้นว่าเป็นของเราไม่ยินดีสิ่งนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตกำหนดรู้นิพพา น, นนั้นแล้วเพราะรู้ว่าความเพลิดเพลินเป็นมูลเหตุแห่งทุกเพราะมีภพชาติจึงมีสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องแก่ต้องตายเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะสิ้นตันหาคลายตันหาดับตันหาสละตันหาสละทิ้งตันหาโดยประการทั้งปวงสรุปพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ยิ่งด้วยปัญญาซึ่งสิ่งต่างๆไม่ยึดถือว่าเป็นของเรา 1. เพราะกําหนดรู้ในสิ่งนั้นๆแล้ว 2. เพราะสิ้นตันหาด้วยประการทั้งปวง ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนี้เป็นกำหนดภูมิพระศัสดาในที่เจดและแปดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมิได้มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละสำหรับพระสูตรนี้หัวข้อที่ว่ามิได้มีใจยินดีชื่นชม หมายถึงภิกษุเหล่านั้นไม่รู้คือไม่เข้าใจเนื้อความของพระสูตรนี้เหตุยังมีมานะทิฏฐิมากเพราะมัวเมาในปริยัตและเพราะพระภาสิบนั้นลึกซึ้งด้วยในที่หนึ่งคือปุถุชนจนถึงในที่แปคือพระตถาคตท่านเหล่านั้นจึงไม่รู้แจ้งอัฏฐแห่งพระพุทธพจน์จึงไม่ได้มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิบนั้นภายหลัง ได้สดับโคตม ก, กสูตรซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสิี่โคตม ก, กเจดีแล้วจึงได้บรรลุเป็นพระอระหรันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิธาทั้งหลายสำหรับคำว่าอาสวะหมายถึงกิเลส ท, ที่หมักหม ม, มหรือดองอยู่ในสันดานไหลซึมผ่านไปย้อมจิตเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆมีสี่อย่างคือ 1. กามาสวะอาสวะคือกาม 2. ภาวาสวะอาสวะคือพบทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิ 4. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาแต่พระสูตรจัดเป็นสเพราะทรงเคราะห์ทิฏฐาสวะเข้าในภาวาสวะจบมู ล, ละปริยญ า, ยาสูตรพระสูตรที่หนึ่งจากพระไตรปิฎกเล่มที่12บสอง